เรื่องอวิชชาความไม่รู้ในสัจจะสัจจะคือความจริงหรือสภาพที่แท้จริงบัดนี้ความรู้วิชาการต่างๆในโลกเจริญขึ้นมากมนุษย์เราสามารถสร้างพาหนะนำตนไปถึงดวงจันทร์ได้เมื่อศพที่แล้วคือปีพุทธศักราช2512 วิชาเหล่านี้เป็นวิชาทางโลกหรือวิชาภายนอกส่วนวิชาภายในหรือวิชาคือความรู้สัจจรหรือความจริงภายในตนเองจะยังบกคร่องอยู่ทั่วๆไปจึงปรากฏว่าคนโดยมากแม้มีความรู้ทางศิลปะวิทยาต่างๆมากแต่ก็ยังขาดความรู้ในตนเองดังจะเรียกว่ายังมีอวิชาที่แปลตามศัพท์ว่า ความไม่รู้อวิชชาที่แปลว่าไม่รู้นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่รู้อะไรเลยเหมือนอย่างก้อนหินก้อนดินแต่หมายถึงรู้อะไรๆเหมือนกันแต่รู้ผิดจากความจริงหรือรู้ไม่จริงก็เท่ากับไม่รู้เพราะที่เรียกว่ารู้รู้นั้นควรเป็นรู้จริงรู้บวกจริง จึงจะชื่อว่ารู้และเพื่อให้ชัดขึ้นจึงแปลแบบอธิบายว่าความไม่รู้ในสัจจคือความจริงหรือสภาพที่จริงกล่าวสั้นว่าความไม่รู้จริงและเมื่อกล่าวโดยทั่วไปความรู้ที่ทุกๆคนมีอยู่ย่อมมีปริมาณจำกัดส่วนที่ยังไม่รู้มีมากกว่านัก เช่นวิชาทางโลกมีอยู่มากมายทั้งเพิ่มขึ้นและแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ขึ้นอยู่เสมอแต่คนหนึ่งคนหนึ่งอาจเรียนให้รู้ได้เพียงส่วนหนึ่งหนึ่งเท่านั้นบางคนแสดงว่ายิ่งเรียนมากก็ยิ่งรู้สึกว่าตนเองยิ่ ง, งโง่ฉะนั้นแม้ในเรื่องภายนอกทางโลกอวิชาคือความไม่รู้ก็ยังมากกว่าวิชา คือความรู้มากมายนักแต่อวิชชาที่มีลักษณะดังนี้ไม่ใช่ข้อที่ประสงค์ในที่นี้อวิชชาที่ประสงค์จะแสดงคือความไม่รู้สัจจะในตนเองดังเช่นความไม่รู้จักตนเองคือความไม่รู้จักตนเองในฐานะต่า ง, างๆเกี่ยวกับความรู้ความสามารถและตำแหน่งหน้าที่อันควรแก่ตนเป็นต้น เป็นเหตุให้ขวนขวายจะได้ฐานะที่สูงกว่าที่ตนควรจะได้หรือน้อยใจในเมื่อไม่ได้ฐานะที่คิดเอาเองว่าตนควรจะได้หรือนินทาว่าร้ายผู้ใหญ่ว่ากดตนเป็นตน้นข้อนี้นับว่าเป็นอวิชชาอย่างหนึ่งเป็นเครื่องปิดกั้นความเจริญของตนเพราะเมื่อไม่รู้จักตนตามเป็นจริงก็ไม่อาจจะแก้ไขตนเองให้ดีขึ้นโดยทางที่ถูกได้ ความต้องการสมภาพในทางที่ผิดสมภาพคือความเสมอกันต้องการให้ทุกๆคนเสมอกันไปหมดไม่มีผู้ใหญ่ผู้น้อยในฐานะต่างๆข้อนี้เป็นอวิชชาอย่างหนึ่งเป็นเครื่องทำลายตนเองเพราะทุกๆคนที่ทำกรรมมาแล้วและกำลังทำกรรมอยู่ต่างๆกันจะให้เสมอกันได้อย่างไรเรื่องนี้มีนิทานเรื่องเปรตจัดระเบียบ ที่เล่ากันมาแต่ก่อนว่ามีเปรตตนหนึ่งสิ่งอาศัยอยู่ที่ศาลาพักแรมของคนเดินทางไกลแห่งหนึ่งเป็นเปรตที่ชอบสมภาพเมื่อมีคนมานอนพักในศาลาที่เรียงกันมากคนขณะที่กำลังหลับสนิทในเวลาดึกสงัดได้มาตรวจทางด้านเท้าเห็นเท้าไม่เสมอกันก็จุดเท้าของทุกๆคนให้ลงไปเท่ากันไปตรวจทางด้านศีรษะ เห็นไม่เท่ากันอีกก็ฉุดศีรษะของทุกๆคนให้ขึ้นมาเท่ากันแล้วก็ลงไปตรวจทางเท้าอีกเห็นไม่เท่ากันก็ดึงเท้าลงไปอีกขึ้นไปทางศีรษะก็ดึงศีรษะขึ้นไปอีกตกว่าเปรตจัดให้เท่ากันทั้งสองด้านไม่ได้สักครั้งและคนทั้งปวงที่นอนพักบนศาลานั้นก็ไม่เป็นอันได้หลับนอนโดยพาสุข นอกจากนี้ความวางตนคล้ายกับเสมอกันขาดคาระวะในผู้ใหญ่เช่นบุตรีขาดคาระวะและความเชื่อฟังในมารดาบิดาถือว่าสมัยนี้ต้องเป็นอิสระในการทําตามความคิดเห็นของตนเองมารดาบิดามีความคิดเห็นของตนได้บุตรธิดาก็มีได้เหมือนกันบางทีกลับเห็นว่ามารดาบิดา มีความคิดเห็นไม่ทันสมัยบุตรธิดาจะถูกบ้างก็ได้แต่อาจจะผิดก็มากเพราะไวยคนองอาจจูงใจให้คิดเห็นไปอย่างคนองต่างจากมารดาบิดาส่วนมากที่มีความเห็นเป็นผู้ใหญ่แล้วจึงเป็นอวิชชาอย่างหนึ่งที่พึงระมัดระวังให้มาก ความแสดงออกในทางที่ผิดต่างๆเช่นการทำอะไรให้เป็นข่าวขึ้นในทางที่ผิดต่างๆบางทีก็ทำเฉพาะตนผู้เดียวบางทีก็ชักชวนกันทำเป็นหมู่เป็นคณะเช่นชักชวนกันยกพวกไปตีกันทำร้ายกันทั้งที่รู้ว่าเป็นการกระทำที่ผิดแต่ก็ทำด้วยต้องการจะแสดงว่าเก่งกล้าสามารถจัดว่าเป็นอวิชชาอย่างหนึ่ง เพราะเป็นความเห็นและการกระทาที่ผิดแม้ว่าใครที่ทำอย่างนั้นจะแยง้งแต่เมื่อความสำนึกผิดชอบแม้ที่เรียกว่าสามัญสำนึกเกิดขึ้นเมื่อใดจะมีความสำนึกผิดขึ้นได้เองการกระทาที่ครูอาจารย์เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายว่าผิดและทั้งที่ผิดและทั้งที่ผิดพระบรมราโชวาทย่อมเป็นความผิดที่ไม่อาจแย้งได้ ความริษยาในความทำดีและในผลดีของผู้อื่นเมื่อเห็นผู้อื่นทำความดีหรือเห็นเขาได้รับผลดีที่เกิดจากความดีก็เกิดความริษยาพูดติเตียนหรือทำการขัดขวางตัดรอนเป็นอวิชชาอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องทำลายโลกคือประชุมชนเพราะทำให้จิตใจมืดมิดมองไม่เห็นสัจจะในความชั่วคือความริษยาของตน และในความดีของผู้ทำความดีแม้จะริษยาในความดีของเขาทั้งที่รู้ว่าเป็นความดีก็เป็นอวิชชาอยู่นั่นเองเหมือนอย่างถมน้ำลายรถฟ้าทั้งที่รู้ว่าน้ำลายนั้นจะต้องตกมาเปื้อนตัวเองทำดังนั้นไม่ชื่อว่าทำอย่างรู้แต่ชื่อว่าทำทั้งรู้คือทำทั้งรู้ว่าไม่ควรทำ การไม่ทำอย่างรู้แต่ทำทั้งรู้เช่นนี้เป็นอวิชชาที่มีแต่ในคนพาลไม่มีในบัณฑิตผู้ที่ริษยาในความทำดีของคนอื่นนั้นบางทีกลับไปยินดีในการทำชั่วตลอดถึงในผลของความชั่วไม่ดีของคนอื่นก็ยิ่งเป็นอวิชชาหนักเข้าไปอีก เพราะเห็นความชั่วเป็นความดีไปนี่ก็เป็นอวิชชาที่มีแต่ในคนพาลไม่มีในบัณฑิตเช่นกันความเมาต่างๆอันความเมาทั้งที่เป็นความเมาเหล้าและเมาเพราะเหตุต่างๆมีความยกย่องเป็นต้นเป็นอวิชชาทุกชนิดเพราะเมื่อเมาแล้ว ก็ทำให้ขาดปัญญาที่จะรู้สัจจะในสิ่งทั้งหลายเมาเล่าเรียกว่าเป็นเมาทางกายส่างเมาอาจจะเร็วกว่าเมาใจคือเมาในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่กายถูกต้องและเรื่องที่ใจคิดที่ชวนใจให้เมาเมาในเสียงที่พูดยกย่องเรียกว่าเมาในเสียงอย่างหนึ่งใครก็ตามเมื่อเกิดเมาขึ้นแล้ว ก็จะไม่รู้เหตุผลตามที่เป็นจริงไม่มีใครจะพูดตักเตือนในขณะที่เมาได้จะพูดกันให้เกิดความเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อสั่งเมาแล้วความหลงคือความขาดปัญญาในลักษณะต่างๆจนถึงความถือเอาทางผิดด้วยความเข้าใจผิดและความงุนงงไม่พบทางออกเหมือนอย่างคนหลงทาง คนเราเผลอสติปัญญาเสียเมยื่อใดความหลงก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นคนที่ถูกเขาหลอกลวงได้เพราะไปเชื่อในคำหลอกลวงของผู้หลอกลวงเรียกว่าเป็นคนหลงอย่างหนึ่งคือหลงเชื่อสิ่งที่หลอกลวงไม่ใช่มีแต่คนภายนอกแต่เป็นความคิดเห็นหรือใจของตนเองก็มีจึงไม่ควรด่วนเชื่อใครหรือแม้ใจตนเองทันที ควรใช้สติปัญญาให้เพียงพอถ้าสติปัญญาของตนไม่พอก็อาศัยผู้มีสติปัญญาผู้มีความปรารถนาดีความปล่อยจิตใจให้ซึมเหงาง่วงอ่อนแอเกียดคร้านเก็บความสงสัยต่างๆไว้ไม่คลี่คลายด้วยความพินิจพิจารณาโดยแยกคายก็เป็นความหลงความหลงนี้เป็นอวิชชาอีกอย่างหนึ่ง เป็นเครื่องปิดบังปัญญามิให้รู้เห็นในสัตว์จับแม้ที่น่าจะรู้เหมือนอย่างเส้นผมบางภูเขา